รักษาอุโบสถเป็นพุทธบูชาเราทั้งหลายปกติก็เป็นผู้ที่ประพฤติธรรมเป็นผู้ประพฤติธรรมนั้นการประพฤติธรรมในข้าแบ่งตามทวารก็คือทวารไหนบ้างทวารกายทวารวาจาและทวารใจทวารที่ประพฤติมีอยู่สามทวารทวารกายทวารวาจาและทวารใจทวารที่เป็นประโยคะที่จะต้องจัดการส่วนทวารที่รับนี่มีอยู่กี่ทวารในโลกธรรมดาก็หทวาร เป็นทวารรับรับทางตาเป็นทวารสื่อสารกับโลกทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายส่วนทวารใจตัวนี้โดยมากเป็นทวารที่ทำใหม่ซึ่งเป็นตัวหลักจริงๆของมโนทวารเป็นทวารที่ทำกรรมใหม่มโนทวานี้เวลาเกิดขึ้นถ้าทำวิญญาติก็เป็นทวารกายถ้าทำบัจจวิญญาติก็เป็นทวารวาจา ถ้าไม่ทําวินยัตทั้งสองอย่างก็เป็นทวารใจก็เป็นมโนทวารเป็นทั้งทวารด้วยเป็นทั้งกรรมด้วยในบรรดาทวารที่ประพฤติปฏิบัติคือทวารกายทวารวาจาและทวารใจทวารกายวาจาใจนั้นมีสมุทฐานอยู่สมุทฐานคือมีกุศลกับอกุศลเป็นสมุทฐานโดยทั่วๆไปแล้วปกติวิสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ที่ กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองหมายคือว่าเจออารมณ์ที่น่าพอใจก็ชอบเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจก็ชักทั้งอารมณ์ที่น่าพอใจและไม่พอใจก็ไม่เคยเอามาทําปริญญาไม่เคยมาพิจารณากําหนดแยกแยะรอบรู้ในอารมณ์นั้นเท่าไหรว่าอารมณ์นั้นมีอาสาทะอย่างไรอารมณ์นั้นมีโทษอย่างไร แล้วเหตุเกิดความดับของอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจะกล่าวไปยายถึงนิสรณะไม่ใช่ฐานะแม้แต่อัาธาอาทีนวะยังไม่เห็นแต่ถูกอัาธาครอบงำถูกอาทีนวะครอบงำแต่ไม่ได้เห็นอัาธาอาทีนวะในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มีบุคคลที่เห็นโทษของการถูกอารมณ์ครอบงำเช่นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความไม่พอใจ ถ้ามันลุกลามขึ้นไปนี่เป็นอะไรปานาติบาตปานาติบาตก็ได้นะถ้าปล่อยให้ความขัดเคืองเกิดบ่อยๆขึ้นบ่อยๆขึ้นในวัตถุนั้นๆในที่สุดก็ถึงกับประทุสร้ายวัตถุนั้นจริงๆแต่ว่าไม่ชอบใจนี่มันก็เป็นการประทุสร้ายทางความคิดเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าถึงกับโทสะมีกําลังมากถึงกับปานาติบาตได้หรือทำอกุศลอย่างอื่นตามมาอีกมากมาย แต่ว่าถ้าโทสะเกิดขึ้นไม่ชอบผู้ใดเราอยากให้คนที่เป็นศัตรูเรามีความสุขไหมไม่ต้องการใช่ไหมทีนี้จะทำลายเขาโดยวิธีใดละ่ะบาปอากุศลธรรมสารพัดชนิดก็จะบังเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายประโยชน์สุขของสัตว์อื่นซึ่งพฤติกรรมทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นปกติของหมูสัตว์ในกรรมภูหมูสัตว์ในก ร, รมภพเนี่ยเข้าเป็นอย่างนั้นเป็นปุคคลที่ถูกอารมณ์ในครอบงาย่ายี เป็นผู้ที่ไม่เห็นพิษเห็นภั ย, เ ห, ภยเห็นทุกข์เห็นโทษของอารมณ์ทั้งหลายอะไรเลยส่วนผู้ที่มีบุญทั้งหลายสังเกตจากสภาพจิตของตนว่าเราทั้งหลายเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์เหล่านี้ทั้งอารมณ์ที่ดีทั้งอารมณ์ที่ไม่ดีทําไมเนอเราจึงเศร้าหมองคือผู้ที่สแสวงหาสาระจริงๆก็คือถือเอาเบื้องลึกๆว่าทําไมเราจึงไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็น อาหารเราก็มีบริโภคแต่ทาไมเนาะเราไม่มีความสุขชีวิตการเป็นอยู่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็มีอยู่ปัญหาอุปสรรคมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่ทำไมไม่มีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นทำไมไม่มีความสุขที่เรียกว่าอะไรเป็นสุขที่ไม่อิงอ ม, มิตรอะไรเลยเป็นความสุขที่เป็นความเบาเป็นความสบายเป็นความสุขที่เรียกว่าไม่ต้องหวาดระแวงในภายหลังเชื่อไมบุคคลทั้งหลายผู้มีวัตถุ ก, กรมใช้สอยวัตถุกรม ถึงมีความสุขแต่ก็ยังระแวงอยู่ถ้าดูจากสัตว์นาจะเห็นชัดเวลาเขาบริโภคเขากินอาหารเนี่ยเขาจะระแวงมันระวังนะระแวงก็คือระวังใครจะมาแย่งเราหรือป่าผู้ที่บริโภคปัจจัยสี่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหวาดระแวงอยู่เสมอดูได้จากอะไรดูได้เข้าห้องป๊อปล็อกเลยใช้กระเป๋ารูดิพร่าโหระแวงมากเออที่มากอะไรสมัยใหม่เขาเรียกว่าระวังระวังแต่จริงก็ระแวงนั่นแหละ ก็ไม่ประมาทอันนี้คือโดยเหตุผลก็ว่าเหตุผลแบบทั่วไปพูดแบบจิตตะวิเคราะห์จิตวิเคราะห์ว่าสภาพจิตในขณะนั้นนัดอยู่ด้วยความหวาดระแวงอยู่ด้วยความหวาดเสียวอยู่ด้วยความสะดุ้งเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดานี่ขนาดว่าประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหมดแล้วบริบูรณ์ด้วยอารมณ์ที่น่าปรารถนาถึงขนาดนั้นก็เศร้าหมอง บุคคลที่จะได้ปีติโสมมานัทที่ปราศจากโทษเนี่ยน้อยนะแต่และหลายท่านวันนี้ก็ได้ปีติกับได้ธรรมะปีติได้ปีติปราโม ท, ท<า>ก่อนอื่นก็อยากจะให้เล่าปีติให้ฟังหน่อยให้ผุ้การเล่าปีติให้ฟังหน่อยว่าวันนี้มีปีติยังไงบ้างได้บรรยายถึงตอนที่พระพุทธพาคอยู่ในช่วงคืนที่กําลังจะบรรลุตัสรุในคืนนั้นนะครับว่าพระองค์ ได้ส่งบรรลุวิชาบทเพลนิวาสานุสติญาณและจุตูปภาติญาณทําให้มองเห็นภาพว่าการที่เราเรียนมาทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราจะบรรลุตามองบรรลุยังไงเนี่ยเราก็ต้องบรรลุตามแนวนั้นแล้วถ้าฟังที่ดีจะเห็นว่าการที่เราเข้าใจว่าการที่จะบรรลุได้ด้วยการทําปริญญาพอเราเห็นว่าการที่พระผู้พาพเจ้าบรรลุตั้งแต่วิชาหนึ่งวิชาสวิชาสาม เป็นลักษณะของการทำปริญญาชัดเจนมากเลยเพราะว่ายานที่หนึ่งเช่นบุเทนิสวาสารุสียานนะครับ<ส>ก็เป็นยานที่ทำให้พระองค์เนี่ยระลึกชาติได้เมื่อระลึกชาติได้นี่นะครับแต่ละชาติเนี่ยพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยนะทำกรรมอะไรไม่บ้างเกิดจะเป็นอะไรรับกรรมอะไรแล้วทำกรรมใหม่ทำกรรมอะไรแล้วไปเกิดเป็นอะไรการที่พระองค์ระลึก ถามว่าทําไมต้องระลึกหลายชาติอย่างนั้นทําไมต้องระลึกชาติมากมายขนาดนั้นแล้วไม่ใช่ระลึกอย่างเดียวนะยังระลึกรู้ถึงขันนอกตัวด้วยการที่เราลึกมากขนาดนั้นจะเห็นว่าระลึกครั้งหนึ่งก็เท่ากับว่าทําปริญญาครั้งหนึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบดูว่าเรานี่จะระลึกตามมากแล้วเราทําปริญญามากแค่ไหนแล้วใจบรรลุตามได้ยังไงจะเห็นว่าเพราะพระองค์เนี่ยทาปริญญามากเป็นแสนแสนขันห้าเป็นล้านล้านตัวอย่าง ท่านวิจัยตั้งเป็นแสนเป็นล้านเคสและเราเองเข้ามาวิจัยจเฉพาะของเราเองอย่างเดียวเนี่ยยังขับขบก็เพลงเต็ทีนระบบขันภายนอกวิจัยคนอื่นบ้างก็ครั้งคราวเงี้ยนะแล้วพระองค์ระลึกชาติได้เป็นแสนแสนกลับถอยหลังไปเนี่ยพระองค์จะเห็นเหตุผลเลยว่าตัวตัณหานี่แหละมันเป็นตัวเหตุจริงๆเลยเพราะว่าบางท่านเนี่ยสามารถระลึกชาติได้แต่ระลึกไม่ได้มา่ ก็จะทําให้ไม่ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จึงเห็นว่าบางชาติทําไมทําชั่วเราได้ดีบางชาติทําดีแล้วได้ชั่วพอเราลึกได้แค่นั้นจึงเกิดทิฏฐิที่ผิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการระลึกที่ไม่สมบูรณ์ผมก็ามาปลื้มใจที่ว่าเออเราเข้าใจเรื่องปริญญานี่ห้ิเราเข้าใจไม่ผิดละแต่ว่าเรามันน้อยนิดเหลือเกินนึกในใจว่าจะต้องดําเนินการต่อไปคิดแล้วก็มีความมีสีสนันนะเราเดินทางถูก แล้วข้อที่สําคัญที่ผมมีความชื่อหนกชื่นใจอะไรรู้ไหมครับเพราะแต่ก่อนนี้เนี่ยผมเรียนกับพระอาจารย์ผมคิดว่าผมเข้าใจใช่ไหมเสร็จแล้วก็พอมาได้พวกท่านทั้งหลายที่แตกทับมาเนี่ยมาเข้าใจด้วยใช่ไหมทํำไมเราเออเหมือนกับยกอย่างให้ดูนะเหมือนพระพุทิภาคเจ้าพระองค์ทรงตัดสรู้แล้วใช่ไหมพอวันแรกเนี่ยพระอัญ ญ, ญากรทันยัปบรรลุเนี่ยนะพระองดีใจมากนะเออมีคนรู้ได้ใช่ไหม ผมก็ลักษณะนั้นนะเออคนที่มีปัญญาเขารู้อย่างนี้นะเราเรารู้ถูกแล้วเรารู้ถูกแล้วใช่ไหมมีพระพวกเนี่ยมันเป็นความชื่นใจอย่างหนึ่งนะว่าเราไม่ปล่าเปลี่ยวละเรามีพวกละมันดีใจอย่างนั้นนะเออใช่ใช่ใชใชใแแค่นีน้ครับ กลับผ้าจากกลับบนหน้าชั้นนะคะที่จริงเป็นจาก็ยังสงสยัยเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะต้องละลึกชาติถอยหลังไปเยอะยังสงสยัยมี question mark ตัวใหญ่เบลอเลยพอท่านผู้การพูดบอกว่าเพื่อท่านจะได้เป็นกรณีศึกษาว่าทำดีทำไมถึงไม่ได้ดีทำชั่วทำไมถึงได้ดีฉะนั้นถ้าเป็นกรณีศึกษาเป็นหมืน่นหมื่นเรื่องท่านจึงเป็น case study ท่านถึงทราบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องถอยหลังไปถอยหลังไปดูว่าเมื่อก่อนนั้นทำอะไรธรรมชาตินี้จึงได้ผลอย่างนี้เนี่ยเพิ่งเข้าใจค่ะสาธุโมทนาค่ะการทำปริญญาก็คือการวิจัยของชีวิตก็ในเมื่อตัวอย่างชีวิตตั้งเป็นแสนเป็นล้านเคสพระองค์ทำได้เพราะพระองค์เป็นบุคคลที่เป็นพิเศษ พระองค์จึงทําได้ใช่ไหมแต่อย่างเราเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเหมือนกับท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือเต็มที่แล้วเพราะการวิจัยต้องวิจัยได้สมบูรณ์ใช่ไหมแต่เราไม่เครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรเลยมีนิดๆหน่อยๆแล้วเราจะไปวิจัยอะไรได้มากมายขนาดนั้นใช่ไหมแล้วความรู้พื้นฐานเราก็น้อยเด็มดีนะเรียกว่าเอาละเริ่มมีก็ยังดีละแต่ว่าพระองค์นั้นสะสมมาเสีสยสงไข่กับแสนขับเป็นผู้ทรงพระไต่ปิดกรู้ทฤษฎีมานานแล้วหลายชาติแล้ว แล้วมาได้พบของจริงคือการละลึกชาติพระองค์ไม่ใช่ละล mm ึกชาตินี้ชาติสุดท้ายชาติเดียวนะพระองค์มีปัญญานี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ทําปริญญาหรือว่าทําวิจัยชีวิตนี่มานาน น, านักหนาแล้วการวิจัยชีวิตนี่แหละครับคือการเจริญวิปัสสนาจึงรู้ต้นสายปลายเหตุของชีวิตชีวิตคืออะไรเหตุเกิดของชีวิตคืออะไรความดับของชีวิตคืออะไรคุณและโทษคืออะไรการสลัดออกเป็นยังไง <text> <Jae> <overnight> พ่อองค์จึงเห็นว่าตัวตันหาตัวนี้เองเป็นสาเหตุเพราะใครก็นึกไม่ถึงใช่ไหมไม่มีใครนึกถึงเลยว่าตัวตันหานี่ตัวสําคัญนะที่มันเชื่อมไว้อ่ะแล้วถ้ามันจะรู้ได้ไงครับเราจะเห็นว่าเหตุกับผลมันห่างกันมากบางทีบางอย่างบางเคสเนี่ยมันห่างกันเป็นกลับก็ได้นะทําเหตุไว้เมื่อกลับโน้นมาผลมาปัจจุบันนี้ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าเหตุเดี๋ยวนี้ได้ผลเดี๋ยวนี้ ศาสนาที่ชีวิตมันเรียนยากเพราะว่าอย่างเนี้ยทำมากฝ่ายเหตุ ก, กันทำมากฝ่ายผลโดยอุปนิสยาปั จ, จทีเรวัตปัตกตูปัิญาปัจจัยมันห่างกันมากเพราะฉะนั้นคนธรมนมม ร, รมดานี่ไม่มีสิทธิ์เลยควยเขวด้วยเราจะเห็นว่าบุพเพนุวาสานุสติญาณกับจุตูปาตญาณสองยานเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญมากต่ออาสาวรกายานสองยานแรกเนี่ยเป็นสมถะเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาก็ต้องไปคู่กันไปเรื่อยๆ จึงมีความสําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นสมถะนั้นก็เป็นปริญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางแห่ ง, งเขาปฏิเสธหรือว่าเขาไม่สนใจสมถะเนี่ยไม่ถูกแน่นอนใครจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ท่านถามผมว่าปิติไหมวันนี้ผมขอถามว่าปิตินี้เป็นอย่างไรการอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบแล้วอิ่มอกอิ่มใจแต่ว่าหลังจากที่ได้ผมผ้าที่พระเมตตาผมก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจพอตอนสวดมนต์ผมก็ วันนี้ควรจะรักษาโวสดสินสินแปดตัดสินใจตอนนั้นก็ไม่ทราบเพื่อผิดดีไหมครับขอถามท่านต่อเรื่องสีศินเป็นสมาทานะสมาทานยังไงฮะหมายว่าตอนไหนก็ได้อย่างไรก็ได้ต้องตั้งใจมาก่อนไหมไขอท่านอธิบายถามต่อเลยครับสีเนี่ยเป็นสมาทานังอุปทานละนังขอท่านอธิบายสองคำนี้เกี่ยวกับสีเรื่องศีลเนี่ยโดยลักษณะสีโดยอาาัฏฐะหรือโดยลักษณะคือสีละนะ ศีรณนะนั้นแบ่งเป็นสองความหมายด้วยกันความหมายแรกคือสมาทานังความหมายที่สองอุปทานังคำว่าสมาทานังในหมายถึงความไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายเราสังเกตดูนะว่าในสมาคมของผู้มีศีลกับสมาคมของผู้ไม่มีศีลเนี่ยต่างกันไหมการใช้ชีวิตแม้แต่สายตากิริยาอาการของตากิริยาอาการของมือไม้ของตาของ ของการเห็นการเดินกิริยาอาการทั้งมวลของผู้มีสินกับไม่มีสินเนี่ยต่างกันเลยเพราะของคนไม่มีสินเนี่ยเกลืกล่อนกล่นกระจัดกระจายวุ่นวายเร่าร้อนแล้วก็เดือดร้อนเพราะว่าสมุทฐานที่ทำให้เกลืกล่อนกล่นกระจัดกระจายวุ่นวายอันนั้นเกิดจากราคาบาาะบ้างเกิดจากโทสะบ้างเกิดจากโมหะบ้างแต่กิริยาอาการของผู้มีศเนี่ยเกิดจากอะโลภอาโทสะและอโมหะ ซึ่งมีความเข้าใจพนันกายวาจาของผู้มีศีลจึงไม่เกลืกล่อนกลนกระจัดกระจายความเกลืกล่อนกลนทางกายก็คือการฆ่าสัตว์เป็นความเกลืกล่อนกลลกระจัดกระจายวุ่นวายเพราะฆ่าสัตว์นี้ไม่ใช่ของง่ายใครที่รู้เกี่ยวกับเรื่องฆ่าสัตว์จะรู้ว่าถ้ายิ่งฆ่ามนุษย์ด้วยนี่โหเรื่องใหญ่มากต้องฝึกกันเป็นเรื่องเป็นรากว่าจะฆ่าเขาได้เกลืกล่อนกลนวุ่นวายมากถ้าเที่ยวกับสมาทานศีลอาทินาทานนี่ไม่ใช่ว่าจะรักกันง่ายๆถ้าใครที่เป็นนักรักทรัพย์ไม่ใช่ว่ารักง่าย ตั้งแต่โจรกระจอกนักล้วงกระเป๋าจนถึงโจรระดับสูงเนี่ยที่ปล้นบ้านปล้นเมืองทั้งหลายไม่ใช่ทําได้ง่ายๆที่จะลักทรัพย์หรือแม้กระทั่งผิดศีลอื่นๆก็เหมือนกันเป็นกิริยาอาการที่วุ่นวายเป็นกิริยาอาการที่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายทางกายทางวาจาที่ล่วงออกมาเห็นๆกันอยู่ส่วนผู้มีศีลไม่เป็นอย่างนั้นเขาจึงเรียกว่าสมาทานังกายวาจาไม่เกลือกล่อนกล่นกระจัดกระจาย สมาทานนางในทอทงกับคําว่าสมาทานนี้แปลว่าถือเอาถือเอานี่หมายถึงเช่นสมาทานศีลคือสมาทานศีลสมาทานถือเอาเพื่อจะไม่ให้เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายสมาทานศีลเพื่อให้มีสมาทานนางเพื่อรักษาความไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายสังเกตดูว่าอย่างคุณไปโทูวันนี้รักษาอุโบสถใช่ไหมถามว่ามันเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายในมื้ออาหารไหมเงียบเลยใช่ไหมกลายเป็นว่าสบายไปเลย หมายว่คือไม่เกลื่อนกล่นไม่วุ่นวายไม่กระจัดกระจายทางกายเกี่ยวกับเรื่องอาหารทันทีเลยอันนี้คือเห็นชัดในเรื่องของการรักษาศีไม่งั้นนะถ้าว่าเราบริโภคอาหารเย็นนะบางคนเนี่ยคือเรื่องใหญ่มากเลยเรื่องทานเนี่ยบางคนยิ่งประนีตบรรจงยิ่งแต่งสะอาดยิ่งอะไรโอ้โกว่าจะทานได้กับเขาสักคำหนึงเรื่องใหญ่เรื่องโตมากบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องไปดูครัวเขาหน่อยว่าเขาทำยังไงกันสะอาดขนาดนั้น แต่ว่าก็เข้าห้องน้ําที่เดียวกันนั่นแหละคิดอะไรมากถึงก็วุ่นวายขนาดนั้นก็ทําเดิม น, นั่นแหละรุ่นวายจริงๆเลยเรื่องบริโภคถือว่าอย่างคณะที่มาไหว้นี่ขนาดมาไหว้สังเวชนียสถานนะครับบอกว่าเรื่องอาหารนี่วางแผนกันใช้เวลามอกเลยนะท่านแวางแผนเรื่องอาหารนี่คุยนเรื่องยาวเลยเรื่องนี้คุยกันเป็นชั่วโมงๆนะหลายชั่วโมงด้วยแนละ้วเอาไปคีดเด็กไม่รู้เท่าไร่ต่อเท่าไหร่นั ก, จ, กจ่ายตลาดกระจายนแหละแตเรื่องอาหารเนี่ยไม่ธรรมดา มันทั้งบุญทั้งบากก็อยู่แถวนั้นอยู่แล้วผู้ที่รักษาศีลก็ตัดความวุ่นวายตัดความเกลื่อนกลนกระจัดกระจายเหล่านั้นออกไปตัดปัญหาออกไปอย่างผู้ประพฤติพรหมจรรย์ศีลข้อที่สามอพรรมจริยาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตัดปัญหาออกไปเยอะเช่นว่าการคลุกคลีใกล้ชิดกันเกินไปมันก็ตัดออกไปใช่ไหมคนเราถ้ามันอยู่ใกล้กันมันคุยอะไรไม่คุยอริยศาสตร์หรอกคือไม่ได้คุยเพื่อให้รู้อริยศาสตร์แต่คุยเพื่อเฝ้าวัตะ เจอหน้ากันตอนแรกก็โสมนั่ะที่เหลือโทมนัตตลอดที่เหลือก็สร้างปัญหาคุยไปคุยมาก็เอาอะไรนะพยาปาท้าวิต ก, ก็กลุ่มรวมมิจฉาวาจาก็ตามมาคุยไปคุยมาก็นอนเครียดกันทั้งคืนอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะถ้าหากว่าผู้ที่สมาทานศีลก็ประพฤติเอกีภาพเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างประเสริฐความเป็นอยู่ก็ผาสุกความเป็นอยู่ก็สบาย พันกิริยาอาการของผู้มีเศษนั้นไม่เกลื่อนกลนไม่วุ่นวายไม่กระจัดกระจายแม้กระทั่งที่ยืนที่เดินที่นั่งสถานที่ทั้งหลายเขาจะเลือกเขาจะไม่ไปทั่วไปหมดใช่ไหมแม้กระทั่งเลือกสถานที่เพราะว่าไปอยู่ในบางที่มันอดวุ่นวายกับเขาไม่ได้ก็เกลือกล่อนกลนกระจัดกระจายวุ่นวายกับเขาไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งสถานที่ทต้นก็ต้องเลือกต้องคัดต้องเฟ้นจึงรักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มสังวรเริ่มสัมรวมเริ่มระวังขึ้น กิริยาอาการเหล่านี้แหละเรียกว่าสมาทานังเป็นลักษณะของผู้มีศีลหรือลักษณะคุณธรรมคือศีลศีลเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปธานังแปลว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงสังเกตดูถ้าวันไหนเราทุศีลคำว่าทุศีลคือศีลขาดหรือศีลบางพร้อยหรือเศร้าหมองในเราจะรู้เลยว่าเหมือนกับคนเงินหายเนี่ยใครเคยกระเป๋าหายไหม เป็นยังไงนั่งสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นเหรือหายเสด็ ก, ก็ดีรักษา ม, มาตั้งนานแล้วไม่ได้มีอย่างเงี้ยนะเสียใจนะออมันหายที่ไหนทําไมมันจึงหายหายอย่างงี้แล้วมันเสียหายยังไงถ้าตอนนี้พัสะปอ ต, ตกเหงือแตกพลักเลยเลยวันเนี้ยเดือดร้อนกันนั่งไม่เป็นสุกละใครจะอริยาสาัจอะไรก็ช่างเพล่อของฉันจะพัสะปอตอย่างนดียว <c oughs> เป็นยังไงคุณดูเจนพัสะปอ <c oughs> ตอนที่หาไม่เจอนะ โผมนัดเลยนะงานนี้ยังไงเนาะเนี่ยนี้ทุกเนี่ยก็คุณสุจินก็เจอเลยเลยเงือกแตกกี่ดอกเหมือตอนนี้ทําให้รู้ว่าวัต ถ, ถุทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้ามองฉันใดความทุศีนก็เหมือนกันมันวุ่นวายทางความคิดมากๆไม่มีใจเป็นของตนเลยมีใจเป็นของกระเป๋าบ้างมีใจเป็นของข้าวของเครื่องใช้บ้างมีใจเป็นของสรบบารบัติมันจะดึงไป มันไม่สามารถพอที่จะรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้นึกถึงชาญก็แลว้วนึกถึงอะไรก็เนึกไม่ค่ อ, ออกเพราะมันรองรับอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นไอาการรองรับคุณธรรมชั้นสูงพระองค์จึงตรัสว่าการงานที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องใช้กําลังใช้แรงต้องหยิบต้องยกต้องแบกต้องหามการงานเหล่านั้นจะต้องทําที่พื้นแผ่นดินที่ตั้งอยู่บนแผ่นดิน คำว่าแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ดินคือดินผงเนี่ยหมายว่าที่ตั้งอะ่ะตัวที่ตั้งเช่นไหมกระทั่งเรานั่งอยู่บนบ้านบนที่เหยียบที่มันมั่นคงเนี่ยเราเหยียบดินใช่ไหมไม่ใชเหยียบน้ําแม้แต่บนเรือก็คือเหยียบดินนะเพราะเรือก็คือดินชนิดหนึ่งหรือแม้กระทั่งอยู่ที่ไหนก็ลังอยู่บนอากาศเนี่ยถ้ามีแผ่นดินรองรับมันจึงจะทําอะไรได้แม้อยู่บนเครื่องบินก็ถือว่ายืนอยู่บนดินอยู่นะแต่ถ้าตัวเครื่องบินมันจะตั้งลอยๆอยอยู่ได้ไหมไม่ได้ตกหววเลยแหละเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่ แต่ว่าคนที่อยู่บนนั้นทำกิจต่างๆได้ก็เพราะว่ายืนอยู่บนดินชั้นใดคุณธรรมชั้นสูงทั้งสมถเวปัสนาการทําปริญญาทั้งหลายก็ต้องตั้งอยู่บนกฎศลศีธถ้าศีลไม่ดีคนที่ศีลไม่ดีจริงๆไม่มีความมั่นใจตัวเองเลยที่จะพิจารณาเรื่องก่รเหมือนอย่างว่าคนที่ผิดกฎหมายมาตั้งหลายคดีอยู่ในตัวไม่มั่นใจเลยที่จะขึ้นศาล มันเดือดร้อนมากๆเลยนะไม่มีความมั่นใจเลยผู้ที่วิจัยเรื่องโดยเฉพาะแม้กระทั่งพวกระลึกชาติได้พวกระลึกชาติได้นี่มันนึกออกทั้งหมดความชั่วความเลวร้ายสารพัดชนิดถ้าคนศีลไม่ดีสมาธิไม่เพียงพอจริงๆเน่ยเครียดตายระลึกชาติได้จําได้ว่าชาติที่แล้วตกนรกถามว่าจะรู้สึกว่ายังไง ลราลึกชาติว่าเพิ่งออกจากคุกมายกหยกเนี่ยชาตินั้นนะอยู่คุกชาตินั้นถูกเขาเคียนชาตินั้นถูกเขาฆ่าชาตินั้นเขาทําอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าพื้นฐานสุจริตธรรมไม่ดีอะไรจะเกิดพยาบาทก็เหมือนกรณีนางยักษ์ศรีที่มาฆ่าเพรานนี้เราลึกชาติได้อดีตชาติตัวเองเคยเกิดเป็นหญิงโสเพณีคนนี้มันมาฆ่าเราเพราะฉะนั้นก็เลยผูกอาฆาตที่แบบภาษาไทยๆเรียกว่าวิญญาณอาฆาต พยาบาทจริงๆมันนึกถึงเมื่อไหร่มันเลือดชาปั๊บเนี่ยไอ้เจ้านี้ฉันจะเรียกแกคืนแล้วนะแกทํากับฉันมากเพราะมันไม่ได้ลึกเลยต่อไปอีกไปหยุดแค่บางช่วงเช่น ว, ว, ว่าสมมติแบบนึกได้เมื่อวานไอ้เจ้านี่มันตีหัวข้ามาแต่ลืมนึกไปวันก่อนข้าไปตีหัวมันก่อนลืมไป <c oughs> คือนึกได้แต่ตอนมันตีเราอะนะนึกไม่ออกว่าเราไปเล่นงานเขามาก่อนนั่น <ไป S 1> แหละบางทีมันน <ไป S 1> ึกพวกสายตาสั้นมันเป็นอย่างนี้เลยพวกที่ การระลึกได้สั้นก็จะลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคนศีลไม่ดีไม่มีความสุจริตอยู่ในใจแล้วจะตามมาซึ่งราคะาบั่งตามมาซึ่งโทสะบ้างถ้าตามมาซึ่งราคาอาะอ้าวระลึกมาเออชาติก่อนเราก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานชาตินี้จะทิ้งกันได้หรือย่างไงนะอะไรจะเกิดขึ้นกันนี้มันก็เลยกอดคอกันอยู่เฝ้าว่าตายนั่นแหละไม่ต้องไม่ไหนกันแล้วพราะระลึกได้ว่าชาติที่แล้วอยู่ร่วมกันมาอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นพวกที่ระลึกชาติได้เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมที่มันรองรับชั้นสูงมากที่จะประพฤติอภิญญาสมาบัติบางคนนี่เขาระลึกได้แต่ระลึกแล้วไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยนคนที่จําชาติได้ก็คือระลึกชาติได้ก็เรียกว่าอนุสรายานก็คื อ, อยาที่ระลึกชาติได้ของบางคนเช่นพวกทําพุทธบูชานะ่พวกนี้จะระลึกชาติได้อย่างเช่นบูชาพระพุทธเจ้าผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ เพระฉะนั้นผู้ที่ทําบุญพุทธบูชาด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงพวกนี้บางคนเนิร์ลึกชาติได้สังเกตจากพรมนารถกสปะชาดกผู้ที่บูชาเจดียของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเนิร์ลึกชาติได้ผู้การถ้าชาติหน้ารล้กชาติได้ชาตินี้จะโสมนัสหรือโทมมนัสตอนนั้นได้ชาดนะหมาโทมนัสไม่โสมนัสแต่ว่ามันจะรลึกชาติได้อย่างไงแล้วมันไม่ได้มีชาติเดียวนี่ชาติหมายถึงภพหนึ่งตลอดทั้งภพ เหมือนอย่างว่าคนที่ระลิกชาติได้อยู่ว่างๆเปิดอัลบั้มรูปของตัวเองทั้งหมดมาดูหมดเลยหนึ่งชาติก็หนึ่งอัลบั้มหนึ่งพกับหนึ่งชาติอันเดียวกันเพราะชาติไม่แปลลายความหมายชาติที่เรากําลังคุยกันหมายถึงพกตั้งแต่เกิดยันตายเรียกหนึ่งชาติเหมือนกับว่าเปิดภาพถ่ายหนึ่งอัลบั้มไปเที่ยวงานมาแล้วก็ถ่ายภาพเก็บมาอย่างละเอียดก็เปิดดูทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหวานทั้งขมคืนทั้งเดือดร้อนเร่าร้อนทั้งหิวทั้งกระหายทั้ง เจ็บทั้งปวดทั้งผิวพันธุ์รูปร่างกายสุขภาพการเป็นอยู่การกรองชีพปัญหาอุปสรรคสังคมสิ่งวแวดล้อมมันจําได้หมดอ่ะมันระลึกได้หมดถ้าเป็นทางธรรมะนะเขาไม่เรียกจำนะอาการอย่างเงี้ยแต่ภาษาไทยเนี่ยคือจําชาติกําเนิดตัวเองได้จําแบบภาษาไทยนี่มันกว้างมากเลยจําบาลีกับจาไทยไม่เหมือนกันอย่างการจําชาติกําเนิดตัวเองได้ทั้งหมดจําได้ผมจําได้พวกนี้นะสายบาลีเขาใช้คำว่าสติแทนหมด กรณีนี้จะไม่ใช้คําว่าสัญญาแต่กิริยาอาการเช่นการมสัญญาเกิดขึ้นพยาบาทสัญญาเกิดขึ้นวิเหิงสาสัญญาเนคคำมั่สัญญาถ้ากิริยาอย่างนี้ใช้คำวมสัญญาถ้าร ล, ลึกนึกได้ใช้คําว่าสติถ้าระลึกแล้วจิตเป็นอกุศลเรียกว่ามิจฉาสติถ้าร ล, ลึกแล้วจิตเป็นกุศลเรียกว่าเป็นสัมมาสติก็อยู่ที่ว่าการละลึกนึกไป